Copyright Goethe Salak München. Book two. Clip เสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่งอิกอิกคนโลกรโลกดิฉันมีมี ดิฉันและคุณมิอันิตูมอันตูเราทั้งสองอเมฮิดโอเกอเมฮโอเกเขาตู่ตูเขาและเธอโตอนตีโตอันิตี เขาทั้งสองตีโดเทีทดหผู้ชายโตปู้ชโตผู้ชผู้หญิงตีสตรีตีสตรีเด็กเตมูลเตมูล ครอบครัวกุตุมบกุตุมบครอบครัวของดิฉันมาเจกุตุมบมากุตุมบครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่มากุตุมอทเฮมาเกุตุมบอธเดิฉันอยู่ที่นี่ มีอิทธิอาเห์มีอิทคุณอยู่ที่นี่ตู่อิทธิอาเหสตู่อิทเสเขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่อทอทธิอทออทอา เราอยู่ที่นี่อมฮิอิทธิ์อหุตอมฮิอทธิหตคุณอยู่ที่นี่ทุมิโดเกอิทธิ์อหัตทุมิส स วะทหัตทุมิโดอทหัตทุมิสรวอทหัตพวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ทอท ते स ग ्े इ थ ् य ा ह े त